พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบสี่ลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สี่เมษายนสอง6ห้าห้ามีชื่อเรื่องว่าเมื่อไม่ยินดีก็ไม่มีอะไร วันนี้เป็นวันที่สี่เมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกช่วงนี้เป็นช่วงที่นิสิตนักศึกษาแพทย์มหิดลเขามาบวชพวกเราก็ได้ไประชุมกันตอนเย็นทุกวันถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ ท่านก็เปิด mp3 สที่หลวงพ่อได้พูดไว้แสดงไว้กล่าวสโมโภชนิยกถาไว้ให้แก่รุ่นก่อนๆหรือว่ากันไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังแต่พระพี่เลี้ยงก็จะเปิดให้ฟังแต่วันไหนที่หลวงพ่ออยู่อย่างวันนี้หลวงพ่อ พอที่จะลงมาได้ก็ลงมาพบพระลูกพระหลานตั้งหลายจากนั้นก็จะได้กล่าวเกินสิ่งไหนที่ควรจะได้รับรู้รับทราบสรุปแล้วก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่ามากก็มากแปด0มืนสีพันพระธรร ม, มคันถ้าจะว่าน้อยก็น้อย ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดออกไปจากจุดเดียวคือใจคือทมแท้ๆมีอันเดียวไม่มีสองท่าโลกออกไปแล้วมันมีสองมืดกับแจ้งขาวกับดำดีกับชั่วมันมีสองทั้งหมดแต่ทมจริงๆ คือหลักเหตุผลคือหนึ่งหนึ่งเดียวคือใจหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไอ้ข่ก็บ่กมันมันคือหนึ่งเดียวคือเหตุผลไล่ลงมาสรุปแล้วคือออกไปจากใจทั้งหมดโง่ก็อจูที่ใจ จะฉลาดก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ที่ใจที่มันรู้รู้ขึ้นที่ใจเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วห้วยใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือออกไปจากจุดเดียวแต่นี้เราขยายผลไปเรื่อย ถ้าขยายผลออกไปขนาดใจคิดเรื่องอะไรพอใจคิดเรื่องอะไรออกไปสั่งให้กายทําอะไรแล้วสั่งให้วาจาพูดเรื่องอะไรมีมากล่ะทีเพราะใจของเราเป็นผู้เป็นต้นเหตุถ้าว่าใจเต็มสัมปยุตไปด้วยกิเลส ราคะโทสะโมหะโลภโกรดกลงมิจฉาทิฏฐิอีต่างหากถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ออกมาไปจากใจก็ถ้าว่าเห็นอะไรมีแต่ยากอย่างเดียวแต่ถ้าใจของเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจเห็นอะไรนิดหน่อยก็โกรธให้เขาไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าใจิ่ใจสำปรยุทธ์ด้วยราคะ เห็นสร่งไหนก็ตามมีต่รักมีแต่ใคร่มีแต่หนักไปทางการ ม, มักกิเลสสรุปแล้ก็คือมันออกมาจากความหลงหลงใจมันหลงถ้ามันใจรู้รอบขอบชิดรู้แจ้งเห็นจริงตามเรื่องต่างๆโกรธไปเพื่ออะไรโลภไปเพื่ออะไรรักไปเพื่ออะไร รักก็มีความมันไปรักไปเพื่ออะไรเพราะร่างกายสังขารของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราะจะไปรักไปทำไมแต่ร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราโลกทั้งโลกจะเป็นของเราได้ยังไงจะไปโกรธเขาทำไมสิ่งเหล่านี้มันออกไปจากใจเพราะทั้นใจสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจถ้าใจมีธรรมะแล้ว ใจมีธรรมในใจใจมีเหตุมีผลใจรู้แจ้งเห็นจริงใจได้รับการอบรมดีแล้วธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วจะคิดก็ในแง่เหตุผลจะทำอะไรก็อยู่ในกรอบของเหตุผลจะพูดอะไรออกไปก็อยู่ในกรอบของเหตุผลเหตุผลคืออะไรเหตุผล ค, คือความถูกต้อง คือต้องคือเป็นธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนและผู้อื่นนี่แหละคำว่าเหตุผลคำนี้มีมากเหมือนกันแต่ถึงยังไงเราเอารักรธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นเครื่องนำเป็นเครื่องดำเนินของใจถ้าเราเอาอยางอื่นเอาใจของเราคิดเอาเฉย โดยมากมันจะไปทางต่าไปทางกิเลสอย่างตื้ทีตัวเองชอบถ้าตัวเองชอบทางไหนมันจะไปทางนั้นคนนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเพราะเราพวกเราได้เข้ามาทั้งทีเข้ามาเน้มาบวชในคราวนี้ถึงจะอยู่ในความลำบากเพราะเราผิดสถานที่ เราอยู่ผิดสถานที่เราอยู่อย่างนี้ท้งการอยู่การฉันการหลับการนอนการเป็นอยู่ทุกอย่างมันไม่เหมือนคารวาจะเป็นคารวดได้ยังไงเพราะเราเป็นพระชีวิตของพระชีวิตของนักบวชก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าเราทำตนเหมือนคารวะทุกอย่าง เราจะมาอยู่อย่างนี้เราทําตนเหมือนคารวัตคารวา ต, าวาตญาตโยมเขาจะให้ความสําคัญยังไงเพราะเหมือนกับเขาที่มาเหนือจากเขาเนะ่ยเขาจึงยอมรับกราบไหว้เคารพสักการะบูชาเพราะเราทําตัวให้ต่างเขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลเพราะเขาทําอย่างเราไม่ได้ เขาจึงยอมรับว่าสัมมาณะเลกูบาอาจารย์พืนผู้ทรงศีลจากนั้นก็พูดออกมาก็มีแต่เรื่องศีลธรรมคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิทํำยังไงสัมมาทิฏฐิทํำยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิพูดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐินะีหรือมันมีสอง ใจคิดผิดใจคิดถูกร่างกายทำถูกร่างกายทำผิดคำพูดผิดคาพูดถูกนะสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจของพวกเราสมควรยิ่งพวกเราจะต้องได้รับการอบรมทางจิตภาวนานะพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็นประพฤติปฏิบัติ อยู่ในกรอบของพระวินัยสำมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยท่านกรอดูดแบบสำมรวมตัวของท่านการเป็นอยู่ทุกอย่างถ้าใครจะมาพูดมายกย่องสรรเสริญถ้าไม่เป็นความจริงท่านก็มีความละอายมีหิริอัตตปะแต่ถ้าว่า ท่านมีอยู่แล้วนี่ท่านก็ไม่มีอะไรท่านยอมรับรับได้มันเป็นตามความเป็นจริงในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งมีฐานะพอสมควรในกรุงสาวัตถีเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใส อย่างมากในหัวใจนี่แปว่ า, ามีตะมักมีแต่ผลมีแต่เรื่องพระหันดูในจิตใจเห็นผ้ากาสาวพัดก็คือเนี่ยผ้าของพระอรหันยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ทั้งหลายมองเห็นแล้วคือพระหันผู้หมดจดจากกิเลสสำรวมกายวาจาใ้ดูละเรียบร้อยแตกต่างจากขระหัส พระวาาทั้งหลายตั้งปวงพราามนั้นก็ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กราบราตนาพระสงฆ์ไปฉันในบ้านของตอนใ น, นม์วันละสิบหกรูปไปฉันที่บ้านเป็นประจำพอเห็นพระสงฆ์เข้าไปเดินเข้าไปพรามคนนั้นก็ยกมือไหว้ขอพระหานทั้งหลายตั้งปวง จงเข้ามาที่บ้านของข้าพเจ้าขอท่านพระรหันธ์ทางหลายทั้งปวงจงนั่งอาสนะที่ข้าพเจ้าปูลาดไว้ขอพระรหันธ์ทางปวงจงจงรับพัตนาหารที่ข้าพเจ้าถวายขอพระรหันธ์ทางปวงจงฉันพัตนาหารและอนโมธนาถ้ใครว่าจะพูดอะไรก็ต้อง ว่าพระหันนำหน้าซะก่อนแต่พระผู้ที่ไม่ได้เป็นพระหันเกิดความหลังเกียติในคำพูดเราไม่ได้เป็นพระหันทำไมเขาจึงเรียกพระหันทุกทุกคำแต่องค์ที่เป็นพระหันท่านก็บอกว่าพามเขาพูดถูกเขาพูดตามที่เราเป็นมาแล้วเป็นเป็นอยู่แล้ว เขาพูดถึงพระหรหันต์ได้ถูกต้องท่านก็ไมนกระไรแต่องค์ที่ไม่ได้เป็นพระหรหันต์พอพูดขึ้นมาเองเราจะจะไปยอมรับเขาได้หรือเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอาบัติปาละชิกแต่ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเยภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนเป็นปาละชิกเป็นขาดจากการเป็นพระนะ เราจะยอมรับเขาได้ยังไงพระทั้งหลายก็ไม่ไปฉันที่บ้านเขาทีนี่พอได้ยินอย่างนั้นรังเกียจรังเกียจในคำพูดของพรามไม่ไปพระทั้งหลายก็ล้อยลอลงไปเรื่อยๆทีละองค์สององค์ไปมาก็ไม่มีองค์ไหนไปเพราะรังเกียจคำว่าพระรหันต์ก็ได้พระตอนนั้นก็ไปกราบพระพุธทธเจ้าทีนี่ โอ้ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกที่ข้าพระองค์มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในมูลพระอรหันต์ทั้งหลายไปฉันที่บ้านของข้าพระองค์แล้วก็ต่อมาก็หายต่อใหม่ๆก็รู้สึกพอพระสงฆ์ไปฉันมากต่อมาก็หายไปเรื่อยๆข้าพระองค์กเ็เรื่องอาหารข้าพระองค์ก็ได้ทำอย่างปราณีต ตามที่ข้าพระองค์คิดว่าดีที่สุดแต่ทำไมพระสงฆ์จึงไม่ไปฉันบ้านของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข่านพรามเรามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เรียกพระสงฆ์แถวนั้นที่ไปฉันในบ้านพรามมาก็เลยถามว่าทำไมพวกเธอท่านทั้งหลายทำไมไม่ไปฉันที่บ้านของพราม พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าแล้วก็ตลอดถึงพระทั้งหลายทั้งปวงกาบทูลพระพุทธญาวาเพราะพราหมณ์เก้าคงจะเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากเวลาเขาพูดอะไรเขาก็บอกว่านิมนต์พระหรันจงนั่งนิมนต์พระหรันทั้งหลายจงฉันนิมนต์พระหรันทั้งหลายจงรับน้ำล้างมือต้องพระหันขึ้นหน้าซะก่อน พวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้ว พ, ลพระามเขายกอย่างนั้นข้าพระองค์ลังเกียดในคำพูดของพรามเหมือนกับเรายอมรับถ้าเราไปเหมือนกับเรายอมรับในคำกล่าวของเขานั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่ได้ไปเพราะพระเจ้าค่ะพระพุ ท, พพทองค์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายยินดีในคำที่เขากล่าวไหม ไม่ยินดีพระเจ้าค่ะเพราะรู้แก่ตัวรู้แก่ใจแล้วว่าข้าข้าพระองค์เป็นอะไรเพราะนั้นข้าพระองค์ไม่ได้เป็นอะไรข้าพระองค์ก็ไม่ยินดีแต่ท่านวง์ที่ใ้สำเร็จท่านก็บอกว่าข้ากับผมไม่มีอะไรเขาคิดว่าพราม์พรามณ์เขาพูดถูกตามที่เขาเข้าใจนี่แหละแต่นี้พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย ใครใครจะกล่าวอะไรข้อตามถ้าเราไม่ยินดีในคำกล่าวของเขานั้นก็ไม่จัดไม่ปรับอาบัตไม่เป็นโทษเพราะไม่เป็นคำกล่าวของเขาไม่ใช่เรายินดีให้เขากล่าวหรือบอกให้เขากล่าวเขาด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระรหันผู้ที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิด ในใจของเขาเขานับถืออย่างสูงสุดในใจของเขาเขาเกิดจัตตาเพราะนั้นเขากล่าวแต่ละคำเขาจึงยกย่องเขาจึงเทิดทูนบูชาคาว่าพระหันแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ยินดีในคำกล่าวก็ไม่เป็นอาบัติแต่ถึงยังไงพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ มีความมุ่งหวังที่จะชำระใจของพวกท่านทั้งหลายให้หมดจดจากกิเลสให้พ้นทุกข์ไม่มาเวียนบ่ายตายเกิดนี่จะไม่ดีกว่าเหรอพวกท่านทั้งหลายต้องมุ่งมั่นนะตั้งใจที่เขาเรียกอย่างนั้นก็ดีแล้วเขาเตือนเตือนเราพวกท่านทั้งหลายอย่าไปนอนใจชะลาใจ แต่ก็ไม่ต้องลุ่มหลงมัวเมาในคำพูดของเขาแต่เขาเตือนอย่างนั้นก็เป็นการดีที่เราจะได้ทำความภาคความเพียรเพื่อหาทางพ้นทุกข์นะพระพุทธองค์ท่านกระตรัสในลักษณะอย่างนี้ เ, เพราะนั้นคนในครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งไหนครั้งไหนเขาก็ต้องการผู้ปฏิบัติสูงส่งสูงสุดถ้าว่าเป็นมนุษย์เขาก็ต้องการ ผู้มีความรู้ที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยเลิอดในขแขนงไหนไหนที่เขายอมรับในยุคสมัยนั้นและกัเป็นคนไหนฉีดรวยที่สุดมั่งมีที่สุดร่ํำรวยที่สุดเขาก็ยกย่องในในยุคสมัยนั้นถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายุ่ย่องเชิดชูเลิดเลอว่าในศาสนาของเรานึ่ สูงสุดคือพระอรหันต์คนทั้งหลายเขาก็อยากจะกราบอยากจะไหว้เขารบปูชาทำบุญทำทานกับพระอรหันต์นี่แหละคือมนุษย์ชาติต้องการความสูงส่งนี่พระในค้างพระพุทธองค์เคยมีมาแล้วพอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็คนกล่าวคืนมาแต่บางคนก็ กล่าวตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่ไม่มีอะไรก็เลยเป็นพระหันหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็อ ร, รหันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ระหันทุ่พุ่มหุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่ถึงยังไงก็ตามคำพูดก็เป็นคำของเขาถ้าเราเขาเทียวว่าโอ้หลวงพ่ออินเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ เราก็จะไปหัวเราะแห่ ๆ, ๆ, ๆทั้งวันมันก็ไม่ได้เราคือใครเราก็ต้องมองเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อพวกเรายัางไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงเส่นชัยเราก็ต้องพยายามเดินอย่างที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านอยู่นั่งอยู่ที่โครนต้นโพวันที่ได้จัดจะได้ตัดรู้ท่านก็มีพยามารเสนามานขันธมานกิเลสมานมารบกวนพระ อ, องค์นางตันหาราคะอรอดีเนะี่ยมาบกวนบรรลังของพระ อ, องค์ให้ข้าวตันหาราคะอรอดีก็คือกิเลสภายในใจของพระ อ, องค์รบกวนในช่วงที่นั่งสมาธิ แต่พระ อ, องค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ถึงร่างกายของเราจะาเห่อแท้งไปด้วยปุโพรโลหิตข้าพระเจ้าก็จะไม่ลุกออกจากที่นั่งโดยเด็ดขาดนะเพราะพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นขนาดนั้น่ะสู้กับขันธมารผลในสุดพระไทยใจของพระ อ, องค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ชาระกิเลส ได้เป็นพะระอรหันต์พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่พระ อ, องค์มุ่งหวังปรารถนานี่ยอันนี้แหะคือความมุ่งหวังและความตั้งใจมั่นคนเราในถ้าหากว่าจับมุ่งหวังเรื่องอะไรถ้ามีความละเลาะและแล้วมันจะไม่ไปไหนการศึกษาของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริง การศึกษาของเรากาสำเร็จได้ไม่ไม่เหลือวิสัยาการเป็นนักพจนักบวชของเราก็ชิ้นเดียวกันแต่เราก่อนเราตั้งใจขนาดหนึ่งแต่พอเราเข้ามาแล้วมาเจออุปสรรคอุปสรรคนานัปา ก, การอุปสรรคของเร า, เาทางหิวทางกระหายทางร้อนทางหนาวทางหมูทางเพื่อนอาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ถ้าเราไป อ่อนไหวกับสิ่งเหล่านั้นเราก็เดินไม่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปทรงผนวดพระองค์บอกว่าเราจะไม่เสด็จเราจะไม่กลับหลังดาวเราจะเดินหน้าลูกเดียวเราจะไม่ถอยหลังนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตั้งสัจจะด้วยความจริงจังและจริงใจ เพราะนั้นขอให้พวกเราถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราควรจะมีสัจจะและมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีฝ่ในการศึกษาแล้วคนครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรให้ภาวนาอย่างไรเราก็พยายามทําตามอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนําให้สติอยู่กับตัวเองนะ อย่าให้คิดทะเลทไายไปดังอื่นนะกําหนดให้พุโทโธอยู่ที่นี่ปลายจมูกนะให้ยุดพุดโทโธอยู่กับตัวเองนะให้มีพุโทโธอยู่กับตนเองนะเราก็พยายามเอาพุโทโธอยู่กับตัวเองทุกก ร, ริยบทยืนเดินนั่งนอนพอตื่นขึ้นมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจนะนี่แหละถ้าเราทำอย่างนี้อีกสักครั้งหนึ่ง อไมอ่่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งไม่เวลาใดก็ต้องเวลาหนึ่งไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งเอพอเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบอจิตใจจะรวมสงบเมื่อรวมสงบคงเป็นหนึ่งเราก็จะได้รับความสงบได้รับความสุขในเมื่อจิตสงบเนี่แหละ อันนเราจะได้รู้รสพระธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเราจะรู้ผลนะทนเมื่อเราปฏิบัติเหตุคือการปฏิบัติของเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจคือเหตุในเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงมันก็ต้องมีผลผลแห่งการปฏิบัติในเมื่อมีผลขึ้นมาหน่อยเราก็รู้ได้ต่อมากับผล งอกเกยขึ้นเรื่อยๆเร่ๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆเรื่อติเรื่อยๆเอย เ, อยเร า, ารรอ เ, ราเป็นไปได้ถูกต้เรองมเความสุขที่แท้จริงอากนั้นก็ดูตามแนวแรวที่ท่านแๆเรื่อย่งสอนสมร่อยรื่เร่อเรืนราารอยๆเร่อยๆเรื่อาเรื่อยรือยๆเร่อรืองเหตุและผลเห็ น, นอยๆเรื่อยๆเรือยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรองเราก็จะเบื่อย่อยคลายๆเรืลจากอาๆเรื่เลือ สรุปแล้วก็คือให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่าไปถอยโลกทางนี้เราผ่านมาแล้วตรงไหนดูนึกดูซิตัวไหนคือที่เราจะไวเนื้อเชื่อใจได้ความสุขตรงไหนมันมีไหมในโลกความสุขที่แท้จริงถามดูซิคาว่าสุขที่แท้จริงสุข ไม่มีการแปลผันพยางอื่นมีไหมมันไม่มีนะแต่คิดดูให้ดีนะมันไม่มีในโลกน้มันหาความสุขที่แท้จริงหาไม่มีมีแต่ความสุขจอมปลอมมิสุขหน่อยหนึ่งก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่เหมือนกับทานอาหารอิ่มอะรอร่อยโอ้อาหารอร่อยมากนะอีกไม่นานเลยมองหาห้องน้ำห้องส้วมแลยไม่ไม่ข้ามคืนน่ ถ้าเราไปอยู่บ้านถึงไม่มีห้องน้ําห้องส่วง ต, ตายไม่รอดเราจะไปที่ไหนอีกเหมือนกันนี่แหละความทุกข์มันเข้ามาแทนที่เลยต่นี่นทั้งที่อาหารเราทานอาหารอร่อยออร่อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เราพิจารณาดูสิมันโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่นั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ศึกษา ท, านะ ท, าทาำน่ะธรรมะทำความสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอย่างไรให้มีจิตใจมุ่งมั่น ให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังและจริงใจพวกเราจะประสบความสุขเป็นระดับขั้นตอนมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆ เ, ออเหมือนกตกอนเราจนต่อมาเราขยันเราก็หาเงินได้พอหาเงินได้ในระดับหนึ่งได้ขนาดไหนแเราก็มีเงิน ใช้สอยเมื่อเรากะยันขึ้นอีเราก็ร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆ อ, อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะธรรมะเข้าสูจ่จิตใจใหม่ๆเราก็ไม่รู้เราไม่รู้จะเดินทางไหนแต่เมืม่อเราได้ยินครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวเราก็พยายามทําตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนในทัดหมายภาวนาพุทโทนอะเราก็พยายามพุทธโทนะพุทลุงปู่มั่น สายหลวงปู่มั่น่เอท่านแนะนําให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเราศึกษาด้วยสิจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทพหลวงตาหมาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาเอหลวงพ่อพุทธหลวงปู่ชิมองค์ไหนไหนฮหลวงปู่แว้นโดยมากพีแต่ท่านในภาวนาเพราะท่านได้รับคําอบรมได้รับการอบรมมาจากหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้ล้วก็ท่านก็ปฏิบัติตามพวกเราก็นั้นนะให้เดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคงไม่ผิดหวังนะวันนี้ผมพูดเปลี่ยนตอนนี้ก่อนนะต่อไปไปเปิดเ p 3มพีสามแล้วนะเอานั่งฟังเลยนะเจนีนนั่งขัดสมาธิฟังเลยนะเจนี่นะภาวนาไปเรื่อยแล้วนะนะ